สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูชีวิตของเอลิยาที่ลุ่มลุ่มดอนดอนแม้ว่าเขาจะพบกับความสำเร็จแต่ว่าก็ยังไปไม่ถึงความสำเร็จเพราะฉะนั้นหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือชีวิตของเอลิยาที่มีความสำเร็จแต่ยังไม่สำเร็จพี่น้องครับเราจะถอยกลับไปดูนะครับว่าณเวลานี้ เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษัตร์บทที่ตั้งแต่บทที่16จนถึงบทที่19นะครับใน4บทนี้ก็คือบทที่16 17 18 19นั้นเราได้มีบทเรียนจากชีวิตของเอลียาภายใต้หัวข้อว่าความสำเร็จที่ยังไม่สำเร็จพี่น้องครับความชั่วร้ายของกษัตริย์อาหับที่ครองราชในสมาเรียซึ่งเป็นอิสราเอลฝ่ายเหนือครองราชมาถึง22ปี อาหับนั้นเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดของอิสราเอลในพระมหีบบันทึกว่าชั่วร้ายยิ่งกว่าบิดาของท่านชั่วร้ายกว่าบรรดากษัตริย์ทุกองค์ก่อนหน้าท่านความชั่วร้ายของท่านนั้นก็อ้างอิงกลับไปถึงความบาปทุกประการของเยเรโบอัมครับและยิ่งกว่านั้นกษัตริย์อาหับนั้นก็สมรสกับนางเยเซเบลซึ่งพยายามให้การกลับไว้ลูกครบรบนั้น เป็นศาสนาประจําชาติของสมาเรียหรืออิสราเอลฝ่ายเหนือให้ได้นางเยเซเบลนั้นเป็นชาวไซดอนเป็นคนฟอนิเซียหรือฟินีเซียเมืองหลวงที่ไทระครับพระบะอันนั้นหมายความว่าเจ้านายมีความหมายว่าเจ้านายครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ทาให้พระเจ้าต้องใช้เอลียาเพื่อที่จะมากล่าวโทษอาหับเตือนสติอาหับและลงโทษอาหับ เหตุเพราะความชั่วร้ายความเลวร้ายของอาหับนั้นพระเจ้าจึงทําเช่นนี้กับท่านชีวิตของเอลียาห์นั้นสําเร็จมาหลายอย่างแต่ก็ยังไม่สําเร็จประการแรกครับก็คือเอลียาห์นั้นประกาศถึงความแห้งแรงและในที่สุดเอลียาห์ก็ต้องอยู่ไปอยู่ที่ลำธารเคริดพี่น้องครับเอลียาห์ได้รับการเตรียมจากพระเจ้าเพื่อให้อิสราเอลทั้งปวงเห็นว่าพระเจ้าพระเยาวานั้นเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้สูงสุด โดยชื่อชื่อของเอริยาเองนั้นก็มีความหมายว่าพระเยวาทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าดังนั้นเองเอริยานีนครับมีความหมายตรงตัวแปลความหมายตามชื่อของท่านว่าพระเยวาทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าเอริยาพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าเอริยานั้นอาศัยอยู่ในดินแดนกี่เลออาดครับก็คือเมืองทิชบีชุมชนทิชบีนั้นก็เป็นชุมชนที่เรียกว่า มุ่งมึดยึดมั่นในความจริงในเรื่องของการไม่กราบไหว้รูปเคารพและก็ไม่นมาสการพระบาอัีแต่ว่านมสการพระยาเวเอรียามาจากชุมชนนั้นครับพระเจ้าได้มอบหมายให้เอริยามีพันธกิจมีพันสัญญาของพระเจ้าและมีพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการอัศจรรย์ทั้งหลายพี่น้องครับเราจะดูการอัศจรรย์ครั้งแรกครับก็คือพระเจ้านั้นได้ทรงเลี้ยงดู หลังจากที่พระเจ้าประกาศกับอาหับผ่านทางเอลียาว่าอิสราเอลนั้นจะไม่มีฝนหรือน้ำค้างตกเพราะพระเจ้าจะทรงยับยั้งมือนไว้ตามที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เพราะว่าอิสราเอลนั้นหันไปกราบไหว้พระอื่นการกระทาอย่างนี้นะครับก็เป็นการตีแสกหน้าเรื่องของการกราบไหว้พระบาอันเพราะว่าผู้นำมรสการพระบาอันนั้นเชื่อว่าพระบาอันนั้นเป็นพระแห่งฝนครับ เป็นพระแห่งไฟความแหงแร้งที่เกิดขึ้นแสดงว่าเป็นฝีมือของพระยาเวพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ควบคุมลมฟ้ากาศได้อย่างแท้จริงพี่น้องครับเราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ว่าที่ลำทานเครีนะครับพระเจ้าให้เอลรียนั้นหนีกลับไปไปหลบซ่อนตัวครับอยู่ตามซอกเขา ลำธารเครียนั้นอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ําจอแดนเอลิยาต้องหลบซ่อนตัวครับลําธารแถบเครียนั้นไม่อาจระบุเฉพาะเจาะจองว่าต้องตั้แหน่งไหนแต่เป็นทำลำําทารเล็กๆครับที่มีน้ําไหลเวลาฝนตกแล้วน้ําจะแห้งไปเมื่ออากาศร้อนขึ้นเพราะมันเป็นลําธารไหลลงมาจากภูเขามีน้ําอยู่แป๊บเดียวแต่พระเจ้าสัญญาว่าจะเลี้ยงดูผู้รับใช้ของพระเจ้าในสถานที่ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ นี่คือสิ่งอัศจรรย์แห่งการเลี้ยงดูของพระเจ้าที่มีต่อผู้รับใช้ของพระองค์เพียงครับในหลายๆครั้งชีวิตของผู้รับใช้นั้นต้องการการเลี้ยงดูพิเศษจากพระเจ้าครับเป็นการเลี้ยงดูที่อยู่เหนือธรรมชาติจริงๆเป็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าเลี้ยงดูชีวิตของผู้รับใช้ของพระองค์มาตลอดเวลาเสมอเอลิยาเชื่อฟังพระเจ้าครับที่พระเจ้าได้ใช้อีกา ซึ่งปกตินั่นอีกานั่นไม่สนใจที่จะดูแลลูกของมันนะแต่พระเจ้าก็ใช้อีกาในการที่จะดูแลเอลียาครับนาขนมปังและเนื้อมาให้อย่างสม่ำเสมอทุกเช้าทุกเย็นทุกเชา้ชาทุกเย็นน้ำก็มาจากลำธาร น, นะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นการอัศจรรย์ผ่านชีวิตของเอลียาการอัศจรรย์ที่สองครับก็คือที่สาเรฟัต เอริยาณั้นได้มีโอกาสปฏิบัติรับใช้หญิงไม้ชาวสาเรฟัดเพราะว่าความแห้งแล้งของน้ําทําให้เกิดภัยพิบัติหมายความว่าธุรกันดารครับเกิดการกันดารอาหารในดินแดนแผ่นดินสมาเรียหรืออิสราเอลฝ่ายเหนือนั้นถึง3ปีครึ่งด้วยกันเอลิยานั้นได้เรียนรู้จากพระเจ้าครับว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเยโฮวายิเรคือพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียม จัดเตรียมให้ชีวิตของท่านอย่างอัศจรรย์บทเรียนต่อไปนี้ก็คือพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมให้อีกเช่นเดียวกันโดยการใช้ผู้หญิงต่างชาตินะครับผู้หญิงต่างชาตินี้ก็มาจากที่เดียวกันกับเยซเบลแต่เป็นผู้หญิงที่รู้จักพระเจ้าเป็นผู้หญิงที่ย่ำเกรงพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าได้ให้ผู้หญิงบางคนเป็นศัตรูกับผู้รับใช้ของพระเจ้าและก็ให้ผู้หญิงบางคน เป็นเพื่อนสนิทกับผู้รับใช้ของพระเจ้าจะเห็นชัดเจนครับในชีวิตของเอลียาพระเจ้าได้ทรงให้หญิงมา่ายชาวสาเรฟัตนั้นเป็นผู้ที่ผ่านการจัดเตรียมของพระเจ้ามาถึงชีวิตของผู้รับใช้ของพระเจ้าเอลียาได้รับการทรงนําไปยังเมืองสาเลฟัตเป็นเมืองเล็กๆ เ, กเกมืองหนึ่งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองซาริฟัดนี้อยู่ระหว่างเมืองไทยละกับเมืองไซดอนของชาวฟินีเซียซึ่งเป็นเมืองของเยเซเบลที่ผมพูดไปแล้วพระเจ้าตรัสกับเอลียาห์ว่าจะมีหญิงไม้คนหนึ่งมาเลี้ยงดูท่านโดยปกติแล้วแม่ไม้มักจะเป็นคนยากจนครับและเป็นคนกลุ่มแรกที่จะขาดปัดใจจัยในการยังชีพในการเลี้ยงชีพในการดูแลชีวิตแต่เมื่อมีการกันดานอาหารเกิดขึ้นเป็นเรื่องแปลกครับที่จะไปหาหญิงไม้ให้เป็นผู้เลี้ยงดูผู้รับใช้พระเจ้า พระเจ้าก็ให้มีแหล่งที่มาของการเลี้ยงดูเอลิยาที่แปลกๆอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับนั่นคือความมั่นใจเป็นหลักประกันของเราซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพี่น้องครับอย่าหลงไปกับการเลี้ยงดูของมนุษย์แต่ให้เรามุ่งสแสวงหาการเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้าครับเอริยาบ่ายหน้าไปที่เมืองซาเลฟัดทันทีด้วยความเชื่อฟังแต่เมื่อถึงเมืองซาเฟัดแล้วท่านก็ทดสอบโดยขอน้าจากหญิงไม้และเมื่อนาง ยินยอมให้ท่านดื่มน้ําท่านก็รุกคืบต่อไปโดยขอขนมปังชิ้นหนึ่งเพื่อที่จะรับประทานนางเป็นคนฟินิเซียนะครับซึ่งเป็นคนต่างชาติแต่นางก็เชื่อในพระเจ้าและนางก็พูดกับเอลียาหคนของพระเจ้าว่านางเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นอยู่โดยสานวนที่ว่าพระเยลีย า, าทรงพระชนอยู่แน่ฉั้นใดมิโนนครับเราจะเห็นว่าความเชื่อของพระเจ้านั้น ได้เกิดขึ้นจากคำถามเสมอครับคำถามนั้นทำให้คนมั่นใจในวิดีโอการทับคำถามก็อาจจะทำให้คนเรานั้นก็อาจจะเกิดความสงสัยความสงสัยของคนนั้นทำให้เกิดการแสวงหาครับอย่าทิ้งความสงสัยเมื่อเราสงสัยเราต้องแสวงหาและพระเจ้า ก, ก็จะตอบคาหรือความสงสัยของเราด้วยความเชื่อและการเชื่อฟังของหญิงไม้ที่มีต่อ เอลียา mania, และคําของพระเจ้าที่ตัดผ่านเอลียานั้นในที่สุดหญิงมายนั้นได้รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าและทําให้เอลียาก็ได้รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันครับพระเจ้าได้ทรงให้หญิงมายนั้นมีความศรัทธาในพระเจ้าในพระองค์และพระเจ้าได้ทรงใช้หญิงมายนั้นมาดูแลหญิงมายนั้นอาจจะเปรียบเทียบได้กับอีการครับเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์พี่น้องครับต่อมาอีกไม่นาน เกิดเหตุกับบ้านของหญิงไม่ก็คือลูกชายป่วยและในที่สุดก็สิ้นลมหายใจพี่น้องครับเขาตายจริงๆนะครับไม่ได้แค่หมดสติเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับในที่สุดเอริยานั้นก็ได้ทำการอัศจรรย์ในพระนามของพระเจ้าท่านได้นอนเหยียดตัวลงทับเด็กนั้น3ามครั้งและทูลขอต่อพระเจ้าให้ประทานชีวิตให้กับเด็กนั้นอีกคนหนึ่ง ในที่สุดนั้นก็พบว่าพระเจ้าตอบกลับอธิษฐานพระเจ้าชุบชีวิตให้เด็กฟื้นคืนขึ้นมาอย่างอัศจรรย์เอริยาก็อุ้มเด็กลงมาจากดาดฟ้าและมอบคืนให้กับหญิงไม้คนนั้นหญิงไม้คนนี้ประจักษ์ว่าเอริยานั้นเป็นคนของพระเจ้าจริงๆและถ้อยคําของเอริยาที่กล่าวอ้างเป็นความจริงผิวนนองครับนั่นคือเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สามก็คือที่ภูเขาคาราเมลซึ่งผมได้อธิบายอย่าง ชัดเจนและละเอียดมากทีเดียวพี่น้องครับพี่ภูเขาคาราเมลนั้นขออนุญาตใช้เวลาหนึ่งนาทีที่จะสรุปครับเป็นแห่งเหตุเราจะเห็นการต่อสู้ของพระบราอันกับเอลิยาเราจะเห็นถึงผู้คนมากมายที่เป็นเ ร, เรียกว่าเป็นกรรมการในระหว่างการต่อสู้นั้นในที่สุดไฟจากสวรรค์ก็ลงมาเผาเครื่องบูชาที่มีน้ำนะครับด้วย เพื่อทีมันเครื่องพิสูจน์ว่าไฟนั้นมีไฟจริงและการลุกไหม้ของเครื่องเผาบูชานั้นเป็นการลุกไหม้ที่เกิดขึ้นอย่างอัศ จ, จรรย์จริงแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อเหตุการณ์ที่ภูเขาคาราเมลสิ้นสุดลงพระเจ้าประทานความสำเร็จให้กับเอลียาแต่เอลียานั้นก็ยัง มีความอ่อนแอเหนื่อยล้าเน็ดเหนื่อยหมดแรงท้อแท้ใจและท่านก็กลัวครับกลัวเยเซเบลท่านก็เลยหนีท่านหนีไปที่ไหนครับหนีไปหาพระเจ้าที่ภูเขาโฮเรบก็คือภูเขาซีนายซึ่งเป็นภูเขาแห่งประวัติศาสตร์ที่โมเสตเองซึ่งเป็นผู้นําอิสราเอลในสมัยก่อนหน้าท่านนั้นได้พบกับพระเจ้าที่นี่และในที่สุดท่านก็พบกับพระเจ้าครับ แต่งานของท่านยังไม่สำเร็จพี่น้องครับงานของท่านนั้นยังไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นหัวข้อในเช้า ว, วันนี้ก็คือว่าความสำเร็จในความไม่สำเร็จอยากจะหนุนใจผู้รับใช้พระเจ้าครับว่าพี่น้องผู้รับใช้ครับหลายครั้งทีเดียวเราดูเหมือนประสบความสำเร็จในงานแต่ละอย่างที่เราทำแต่ว่างานแต่ละอย่างนั้นก็ยังไม่ไปถึงความสำเร็จสุดท้ายครับพระเจ้าก็ได้ให้เอลียานั้น ไปเจิมหรือไปเรียกตัวเอลิชาไปมอบสิทธิอำนาจให้กับเอลิชาเพื่องานของพระเจ้าที่พระเจ้าวางแผนไว้จะสำเร็จในที่สุดพี่น้องครับเราจะเห็นว่าความสำเร็จท่ามกลางหรือในความไม่สำเร็จนั้นก็ทำให้เราเห็นถึงความสัต์ซื่อของพระเจ้าที่ดูแลผู้รับใช้ของโปร่งเสมอ ไม่ว่าจะอยู่แห่งโน้นตำบลใดไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดก็ตามพระเจ้ามีแผนการที่จะดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้าเสมอในขณะเดียวกันครับแผนการของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของโะรงก็จะเป็นช่วงเป็นระยะเป็นวาระนั่นคือสิ่งที่ผมเองนั้นได้เรียนรู้จากชีวิตของเอลียาความสำเร็จในความยังไม่สำเร็จอาเมน